เมื่อกี้เราก็ได้สวดมนต์ฉิมพุทโธวาทแล้วก็บทพิจารสังขารบทพิจารสังขารเนี่ยเป็นบทที่สำคัญเป็นบทที่เขาเขียนไว้ให้พิจารณาเช้าเย็นเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าความตายเนี่ยจะมาหาเราเมื่อไหร่ความตายมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือโดนฆาตกรรมตายแบบฉับพลันหรือป่วยตาย หรือตายเพราะแก่ตายนี้เราไม่รู้สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องไม่ประมาทจะต้องมันสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราก็มั่นใจว่าขณะตายไปเนี่ยเราสามารถไปสู่สุคติได้แต่ถ้าเราในชีวิตไม่สร้างบุญสร้างกุศลไว้ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งเลย พอตายไปแล้วเราก็ไปตามยถากรรมอันนี้ไม่มีหลักประกันสีทําได้เนี่ยโยมมามาวัดมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ เ, เพื่อให้จิตใจเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันให้เห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงเพราะความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาความพัดภากคการสูญเสียของรักอันนี้เกิดกับทุกคนไม่มีใครหลีกหนพีพ้นเพราะว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ย เราก็สามารถยอมรับฟัามจริงได้มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งตะจันแกเป็นคนธรรมะธรรมโแกเป็นลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแดงอายุประมาณเจ็ดแดขวบเะไรกำลังสซนเลยคันถึงเวลาปิดเทอมก็ตั้งใจมาฝากวัดไว้เพื่อให้เจ้าแดงเนี่ยเป็นเด็กดีไม่ดื้อเอาไปเป็นลูกศิษย์พระโดยมีหลวงพี่โน้ตเป็นเจ้าวาดแต่ด้วยความที่เจ้าแดงเป็นเด็กที่ซน วันหนึ่งก็พลาดไปโดนไฟช็อตตายหลวงพี่โนต้ตซึ่งเปเจ้าวาดก็คิดหนักเลยเพราะว่าตาจันเนี่ยมีลูกชายแค่คนเดียวถ้าไปบอกข่าวเนี่ยก็กลัวตาจันจะช็อกตายไปอีกคนหนึ่งน่าคิดตดาแลวจะเสน อ, อยังไงดีแต่นึกไปนึกมาเอา้าตาจันเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเนี่ยทง น, นเราใช้อุบายไปพูดตรงๆไม่ได้จะต้องพูดธรรมะก่อน พอพูดธมาสเสร็จแล้วค่อยๆตะล่อมตะล่อมบอกความจริงได้คิดได้งั้นแล้วหลวงพี่โนก็เดินไปบ้านตาจาร น, นทันทีขณะนั้นอาจารย์กําลังบุ้งหลังคาบ้านอยู่หลวงพี่โนก็ถามเลยว่าโยมกาลังทําอะไรอยู่อาจารย์ก็ตอบว่ากําลังบุ้งหลังคาครับเอาทําไมต้องบุงด้วยเรามันเก่าแล้วมันรั่วก็ต้องเปลี่ยนใหม่หลวงพี่โนก็ถามต่อว่าจําเป็นด้เหรือ อาจาย์ก็บอกว่าจําเป็นที่หลวงพี่บวชไปต้องนานไม่รู้เหรอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงใช้ไประยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หมดอายุมันก็เสื่อมลงก็ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอหลวงพี่ก็ถามต่อเฉพาะสิ่งของด้วยเหรอที่ต้องอยู่ในความไม่เที่ยงตาจารย์ก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตก็ตั้งอยู่ในกฎแต่ลักษ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องไม่เที่ยงครับพัดภาค คือตจาจันเน่ยถ้าเป็นคนชอบธรรมะธรรมองไงคือเขาไปชาววัดก็จะจําพระเทศบาแล้วแกก็รู้หมดอะ่ะคือเขาพูดสอนหลวงพี่โน้ตทันทีเลยแต่ขณะที่คุยกันเนี่ยหลวงพี่โน้ตเชิญให้อาจารย์ลงมาข้างล่างนะเพราะอยู่บนหลังคาอันตรายก็คุยกัข้างล่างหลวงแล้ว ก, ก็ถามต่อถ้าเกิดญาติพี่น้องตายอะ่ะโยมจะทาําไงอาจารย์ก็บอกก็ไปเผาสิไม่ย า, ยากเลยแล้วถ้าธรรมาตายทายําไงอ่ะ ผมก็ไปเผาให้แล้วเกิดตัวโยมตายเองก็ทําไงโอเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมก็มีญาติพี่น้องเดี๋ยวก็ไปเผาเองแล้วเกิดลูกโยมตายทําไงอ่ะไม่ใชปัญหาเดี๋ยวก็ เ, า เ, าเกกาาผเาเองแหละเรื่องเล็กน้อยหลูยพี่โน้ตคุยธรรมะกับอาจารย์ได้สักพักหนึ่งก็มองว่าตจาจันเนี่ยมีสติมีความรู้เรื่องธรรมะดีน่าจะตะลอมเข้าเรื่องได้แล้ว มีกำลังใจดีก็เลยค่อยๆพูดบอกว่าที่อาตมามาวันนี้ก็เพื่อประสคงข่าวให้โยมรู้นะไอแดงลูกของโยมถูกไฟช็อตตายแล้วตจาจย์ได้ยินดังนั้นเนี่ยช็อกเลยค้างเลยแล้วก็ไปลมล้มทั้งยืนเนี่ยเพราะตะจาจย์เนี่ยเก่งแต่ทฤษฎีไงแต่ภาคปฏิบัติแกไม่รู้คือแกจำธรรมะมาแต่ใจแ จ, จิตแกไม่เคยฝึกไง ไมเคยฝึกพอเกิดเหตุกายณ์ขึ้จริงๆเนี่ยมันเหมือนที่เราพูดนะแบบอัตมาก็เห็นนะหลวงพี่หลวงพ่อบางทีพุทธมัสอนโยมเนี่ยสอนได้ฮนะแต่เวลาญาติตัวเองตายร้องไห้ขี้บูโปรก็เห็นไปหลายรายแล้วเพราะว่าคนอื่นตายมันไม่ใช่ญาแบบว่ามันไกลตัวไนงะแต่เพื่อนถ้าเป็นญาติของเราเองหรือเป็นคนญาติพี่น้องพ่อแม่หรือลูกเนี่ยมันใกล้ตัวมันทำใจา ย, ยากอนะ่ะ เพราะฉะนั้นอารมณ์พวกนี้ก็ต้องฝึกเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันอย่างที่โมยมมาปฏิบัติธรรมก็ถูกกันแหละเอาไว้เผื่อเกิดเจอ อ, ออารมณ์ที่ไร้ลยจะได้รับได้หรือเกิดเจออารมณ์ที่ดีใจเกิดถูกหวยก็ช็อกได้เหมือนกันนะช็อกตายได้เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่เคยจับจับเงินล้านพอถูกหวยขึ้นมาได้ช็อกฟุ้งซ่าเป็นบ้าไปเลยก็มีเพราะไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทําอะไรก็เห็นมาหลายรายแล้ว เพราะคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยจิตมันจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงฟูฟูแฟบแฟไป่บวกก็ลบไม่ค่อยตรงกลางเท่าไหร่เวลาดีใจก็ดีใจเกินเหตุเวลาเสียใจก็เสียเสียใจเกินไปอย่างเราสังเกตผู้ตลกไว้เวลา่นตลกคาเฟ่เนี่ยพว้คนี่แสดงตลกให้คนชมนะแต่เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีคนเก็บกดเราจะเห็นตลกดังๆเนี่ยขึ้นดังสื่อทินประจำแหละไม่ชกต่อยกันก็ไปตีหัวเขาก็มี พรข้างล่างเวที่เขาไม่ตลกแล้วเก็บกดไงเพราะตลกไม่จริงชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสมชายสมชายเนี่ยป่วยหนักใกล้จะตายแหล่ไม่ตายแหละแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลญาติพี่น้องก็เป็นห่วงสมชายมากกลัวมสมชายตายไปแล้วจะไปสุวบาย这样的ทุกติได้จึงไปนิมนต์อาจารย์ฟองซึ่งเป็นเจ้า ว, ว่าอยู่วัดหนึ่งซึ่งท่านเป็นนักเทศไปถึง ก็ไปตามอาจารย์ฟองมาเทศเลยอาจารย์ฟองมาถึงก็รีบเทศด้วยความเมตตาของท่านหัวคนไข้อะ่ะกลัวเห็นว่าสมชายเนี่ยใกล้าตายเต็มทีแล้วแต่ระหว่างที่อาจารย์ฟองมาเนี่ยสมชายอาการสุดหนักลงกว่าเดิมอาการสุดหนักไปเรื่อยๆหน้าตาก็เริ่มเขียวอาจารย์ฟองก็พูดใหญ่เลยพูดธรรมะพูดถึงความไม่เที่ยงพูดถึงการปล่อยวางอย่ายึตดยติดนู่นยึดติดนี่ ตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญกุศลให้คิดถึงแต่บุญที่เคยทําอะไรเงี้ยพูดไปสมชายก็ยกโบกไม้บกมืออาจารย์ฟองก็ไม่สนใจไม่ฟังอ า, าอาจารย์ฟรองก็จะพูดต่อเพราะเห็นเวลาเหลือน้อยจริงๆสมชายก็ตัดกั้นหายใจขึ้นท้ายขอกระดาษเพื่อเขียนสั่งลาแล้วก็รวบรวมแรงทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเขียนแต่กระดาษสำเร็จ แล้วก็ขาดใจตายอาจารย์ฟองท่านก็แสดงสิบิลิตนะไม่อ่านไม่อ่านกระดาษที่สมชายเขียนเก็บใส่กระเป๋าไว้ตั้งใจจะไปอ่านอ่านตอนจัดงานศพขั้นถึงเวลางานศพอาจารย์ฟองก็เปิดกระดาษขึ้นมาแล้วกเกินหัวนำว่าสมชายเป็นคนดีนะขณดที่ตายเนี่ยอยางอุตสาเขียนจดหมายสั่งลายาพี่น้อง แล้วแกเขค่อยอ่านจดหมายอย่าให้ช้าถอยไปอย่าเหยียบออกซิเจนคืออาจารย์ฟองเนี่ยด้วยความรีบร้อนของท่านเนี่ยท่าไปเหยียบสารออกซิเจนไงนสมชายก็าการซุดหนักขึ้ น, น, นหนักขึ้นหนักจนแบบสู้ไม่ไหวอะ่ะก็จะทําให้ตายเร็วขึ้นถ้าเกิดอาจารย์ฟองยอมทนฟังหน่อยนะขณะที่สมชายโบกไม้โบกมือเนี่ยยอมฟังกันบ้างเนี่ย สมชายอยาจจตายช้ากว่า น, นี้หรืออาจจะไม่ไม่ไปเร็วอันนี้อันนี้ก็ตายเพราะความหวังดีเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการฟังนี่นะก็เป็นการแสดงธรรมนะบางทีพวกพระพวกโยมอาจจะมองข้ามจุดนี้การฟังธรรมก็เป็นการแสดงธรรมเราฟังเข้าเนี่ยปลดปล่อยอารมณ์ฟังคนเข้ามาระบายความทุกข์เนี่ยเราทนฟังแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยบางคนอกหักเนี่ยมาระบายความเศร้าวกว่าเราเนี่ย หรือบางคนน้อยเนื้อต่าใจโชคชะตาเพื่อนกําลังเกียดทํางานก็ทํางานก็ไม่มีอนาคตหมดกาลังใจท้อถอยท้อแทงเนี่ยแล้วก็ฟังไปฟังฟังเสร็จเนี่ยเราก็พูดอะไรให้กำลังใจเข้สองคําเนี่ยเขามีความสุขแล้วได้ปลดปล่อยซึ่งเป็นการแสดงธรรมด้วยเพราะว่าการแงทงธรรมเนี่ยพวกโยบอยจะคิดว่าต้องเป็นพระเทศซึ่งไม่ใช่หรอกฮะ พวกโยมก็แสดงธรรมได้โดยการเห็นคนมาวัดเนี่ยเราก็ชักชักนำให้เข้าไปไปวัดที่ปฏิบัติธรรมไปวัดที่ดีๆไม่เปยวัดที่งมงายหรือไม่เราก็แนะนำหนังสือแนะนําครูบาอาจารย์แนะนําซีดีให้ตรงจริตเขาอะเราสามารถทําให้คนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือการแสดงธรรมหรือพูดให้คนที่เขาอกหกักที่ฆ่าตัวตายให้เลิกฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นการแสดงธรรม หรือให้กำลังใจคนที่หมดหมดกาลังหมดแรตายอยากชีวิตแล้ว ท, ท้อแท้ไม่สู้ชีวิตแล้วสู้ไม่ไหวบางทีถ้าเราให้กําลังใจเขาเนี่ยหรือพูดอะไรหวานล้อมเขาเนี่ยเขาเกิดกำลังใจสู้ชีวิตมาแล้วก็เป็นการแทงทำแล้วอย่างคนพิการเนี่ยตอนตามหลังคนพิการเนี่ยจะหมดกำลังใจนะตอนหลังคนพิการก็มีกําลังใจขึ้นมาเว่าจางพลเนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมและเห็นธรรมได้ทําให้ เดี๋ยวนี่คนพิการเนี่ยมีกาลังใจสู้ชีวิตแล้วก็มีอีกหลายคนที่ดินน้นรนขวนขวายช่วยตัวเองอย่างมากเคยดูวิดีโอคลิปบ่อยๆนะจะมีคนที่คนพิการเนี่ยช่วยตัวเองได้บางครั้งใช้ปากทำ น, นู้นทำนี่บางทีแขนขาไม่มีเงี้ยหรือไม่แขนไม่มีใช้ตีนตีนวาดรูปก็มีเขาก็ต้องหัดนะเขใช้ความอดทนมากเลยเขาช่วยตัวเอง บาทีเราเห็นแล้วเกิดกําลังใจนะว่าโอ้โหขวายคนพิการเนี่ยเมื่คิดค่าตัวตายเลยยังสู้ชีวิตแล้วเรามือตีดีๆเนี่ยเราจะท้อได้งไงอันนี้ก็ก็เห็นทั่วไปนะดูแล้วเกิดกําลังใจเพราะสมัยนี้คนเราอ่อนแอบางคนเนี่ยเกิดมาเกิดเป็นลูกคนรวยชีวิตไม่เคยลาบากเลยหนักไม่เอาเบาไม่สู้ยิ่งสมัยนี้เป็นยุค เทคโนโลยีเด็กตัวเล็กๆ ก, ก็มีมือถือกันเกือบทุกคนแล้วอย่างสมัยธรมาเนี่ยลำบากไม่รู้จักรอเบือถุงมือถืออะไรอะสมัยนู้นไม่มีทำงานต้องทำงานทุกอย่างขุ่มข้าวก็ต้องก่อฟืนหุงไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้สมัยนี้สบายแต่ก็ควาสบายก็ทำให้เด็กสมัยใหม่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีผวาอดทนอะไรก็ถาม Google ไว้ก่อน คือ g o o g ิ e เนี่ยนอนาคตได้ทุกอย่างแหละเป็นสูตรสำเร็จแต่ความรู้จริงๆกลั บ, บไม่ค่อยมีนะเพราะไม่ได้ไม่ได้ดีน้นรนขนขวายไม่ได้ฝึกฝนดังั้นคนเราก็ต้องฝึกฝนน่ฝึกฝนตนเองเพราะว่าการฝึกฝนตนเองเนี่ยสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดใ้คุกมีนักโทษอยู่สามคนนักโทษชายสาคนเนี่ย ต้องโทษคนละห้าปีผู้คุมก็ให้สิทธิพิเศษอะ่ะให้สามารถเลือกสิ่งที่ชอบได้คนละอย่างก่อนที่จะเข้าหอขังไปขังเดียวนักโทษคนแรกก็ขอหนังสือกฎหมายมาหลายเล่มเลยคนที่สองขอ พ, อพระพุทธรูปและขอหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์หลายเล่มคนที่สามขอบุหรี่20ลัง การเวลาผ่านพ้นไปห้าปีนักโทษคนแรกก็ขอบคุณผู้คุมบอกว่าตนเองเจะไปทำงานได้กฎหมายเพราะตอนนี้อ่านกฎหมายจะแตกฉานแล้วนักโทษคนที่สองที่ของสืธรรมะกับพระพุทธ ร, รูปออกมาหน้าตายิม้ยยมแย้มแจ่มใสบอกผู้คุมว่าผมจะไปบวชแล้วแล้วก็ขอมอบพระแล้วก็หนังสือธรรมะให้เรือนจำต่อไป ส่วนคนที่สออกจากคุกมาเนี่ยหน้าตาดูถ้าไม่ได้เลยหมดสภาพตะโกนบอกขอไฟแช็กหน่อยขอไฟแช็กหน่อยคือคนที่3ามติดบุหรี่นะคือคือแกคิดแต่เรื่องบุหรี่นั้นเราจะเห็นได้เลยว่าถึงติดคุกเนี่ยแต่ใจเราก็อิสระใจเราสามารถฝึกฝนได้คนเราทำอะไรไม่เป็นก็สามารถฝึกได้ แต่เราไม่ฝึกเราก็ไม่เป็นอย่างอาณมาเมื่อก่อนมาสุกโตเนี่ยมาทําอะไรไม่เป็นตั้งเยอะแยะเลยอามาเขาก็ฝึกปลูกต้นไม้มาหัดปลูกต้นไม้มือถือก็เล่นไม่เป็นเมื่อก่อนมือถือเนี่ยเมื่อก่อนอาณาไม่เคยมีมือถือนะมาเล่นครักแรกเนี่ยลูมวิชาตตกหลังคาอาณาไม่มีทางเลือกเลยฟ้ามือถือแกไปแล้วก็เอาแกขึ้นรถแล้วก็เอามือถือช่วยชีวิตแกแต่แกลืมไปแล้วแหละตอนที่ความจำเสื่อมอาณาพาแกไปหาหมอ กดผิดกดถูกบาที่มือถือว่าล็อกเองอะ่ะเราก็เลยไม่เป็นแต่อมาเาก็ไปอระมาก็เราก็หัดเล่นมือถืออะ่ะซื้อตัวถูกถูกไวก่อนเอาไว้ติดต่องานในวัดบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนอมาเป็นคน ท, ที่ไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้หรอกมือถือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทักอย่างแต่เราก็ไม่ว่าเพื่อนนะเมื่อก่อนอะ่ะเราจนมองว่าเพื่อนเนี่ยที่เขามีอะ่ะยุ่งยากชีวิตอะไรก็แต่ต่อหลังเราก็มีเองสุดแล้วเราบ่ว่าเพื่อนไม่ได้หรอกกรรมสนองอมาใช้กรรมทุกวันเนี้ย เมื่อก่อนคนอื่นามีกันหมดแหละออกมากไม่มีฮะพอเรามีปุ๊บเอา้าไปมาจากเลยไม่เป็นก็กลายเป็นช่วยเหลือคนอื่นไปก็มีลองผิดลองถูกคอมพิวเตอร์อมาก็เลยไม่เป็นก็อาศัยพาในวัดที่เขาเก่งๆสอนอีเบลอะไรก็ทําไม่เป็นหรอกคนอื่นเขาทาให้หมดแหละคนอื่นเขาสมัครให้เฟซบุ๊กคนอื่นเขาก็สมัครให้พิมพ์ครั้งแรกก็พิมพ์ไม่เป็นด้วยซ้ำว่าพิมพ์อะไรอะไรเงี้ย ตอนหลังมันก็ค่อยลองผิดลองถูกอะเอารูปลงบ้างอะไรบ้างโพสต์ข้อเขียนลงไปบ้างใหม่ๆก็ไล่สาระไม่มีอะไรเราทําให้เป็นแต่ประสบการณ์นะมันมันเหมือนก็ว่าบางอย่างเนี่ยทําไปทำมาเนี่ยอัตราก็ไปเห็นแบบคนอื่นที่เขาทําอละดูคนทุคนนี้อะแล้วก็ลองทําแบบลองทําตามดูอ้าวตอนหลังก็เริ่มโพสธมะได้จากทําให้เป็นนะก็เริ่มโพสธรมะแต่ตอนแรกก็ยังดูรูปไม่ออก บางทีเราไปเอารูปเล็กใส่รูปไปในมาตรฐานก็มีช่วงเล่นใหม่ทําอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ก็ต่อสายประสบการณ์คือเราไม่เลือกก่อนไนงะคือไม่ท้อไปเอามาตอนหลังนี่ก็เล่นชนานาญขึ้นเพื่อนก็มากขึ้นอันนี้เปิดตั้งหลายเพจแล้วเพื่อนห้าพันห้าพันสองเพจเมื่อก่อนตอนตอนหลังเพื่อนก็เป็นหลายหมื่นแล้วเป็นแฟนเพจ อ, อีกเพจนึงก็สามหมื่นกว่าคนอีกเพจหนึ่งก็หมื่นกว่าคน อีเพจดก็ห้าพันคนแต่มันก็งานมันก็ค่อยแตกแตกหนอ ก, กอไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเอามาไม่คิดเรื่องเฟซบุ๊กนะไปมาพรอเห็นว่าถาแล้วเกิดประโยชน์ไงเรานำข้อข้อคิด ข, ข้อเขียนธรรมะสั้นๆมาโพสต์แล้วบางทีไปโดนใจคนที่เขากําลังกำลังมีปัญหาพอดีเลยข้อเขียนเขจาจะไปสารหรือแม้ ก, กระทั่หลงพ่อพุทธทาสอย่างเงี้ยสั้นๆคนเขากา็อ่านกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยเลยทําเป็นประจำมาต่อหลังก็เอาเสียงเขจาจะไปสารเนี่ย ที่ท่านพูดอย่างนั้นพูดตอนเย็นเนี่ยมาก็ดันไปลงลงลงเว็บเลยแล้วก็แชร์ไปเฟ e บุ o k คนที่แฟซเพจก็สามารถฟังธรรมะสดๆได้อันนี้ก็จากจากทำงานไม่เป็นนะส่วนมากก็เริ่มู้วากการหัดอันนั้นแหละแต่คนที่ไม่หัดก็ทำไม่ได้นะงานบางอย่างเล่นลายไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ลายไปทำไงอา จ, จารย์โน้ก็สอนเพราะว่าลายมีประโยชน์สมัยนีย้จากภาษาท่านก็สั่งงานทางลาย ตามโรงพยาบาลตามราชการเขาสั่งงานทางไลนนั้นใครเล่นไม่เป็นเนี่ยก็เชยล้าหลังไม่ฐานโลกและประหยัดด้วยบางคนเสียค่าโทรศัพท์เดือนเป็นพันเนี่ยพอมาเล่นไลน์ปุ๊บไลน์จ่ายก็เหลือเดือนไม่กี่บาทเองเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ได้แต่ติดไม่ได้นะถ้ายึดปุ๊บเนี่ยเราจะทุกข์กันทีเลยมันจะกินเวลาเราหมดเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยเรายึดเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้หรอกเราทำเป็นหน้าที่ทำเป็นหน้าที่จะได้อยู่ โพสข้อคิดข้อเขียนของครูบาอาจารย์สเสนอข่าวของวัดอะไรเงี้ยอากเมื่อก่อนคนไม่ค่อยรู้จักวัดป่าสุกโตหรอกคนรู้จักแต่อาจารย์เปสาหลือพ่อผูเขียนวัดป่าสุกโตอยู่ไหนก็ไม่รู้พอามาใช้ใช้ชื่อ Facebook เนีย่ยวัดป่าสุกโตเนีย่ยคนก็เริ่มรู้จักไนงะเริ่มรู้จักวัดมากขึ้นอันนี้ก็เกิดประโยชน์นะพวกตามวัดทั่วๆไปเขาจะมี Facebook ตรงนั้นเพื่อสเสนอข่าวของวัดสเสนอกิจกรรมของวัดงานกระถิน่น งานเดินธรรมยาตางานปลูก ป, ปา่างานของวัดต่างๆเสนอข่าวทำให้คนรู้ความเคลื่อนไหวของวดัดอันนี้เราก็สามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ได้อันมาเมื่อก่อนพูดธรรมะไม่เป็นหรอกอันมาสิบปันาถึงมหัธพูดเพราะอันมาเขียนเฟซบุ๊กแล้วก็อ่านธรรมะมากๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปใ น, ในสมองทุกอย่างแหละทให้เราสามารถพูดได้ด้วยอันนี้เป็นประโยชน์จากการขนไายนะ บางทีาธิบายพูดธรรมะกับโยมเนี่ยมาไม่ได้เตรียมเรื่องเลยซ้ำ ม, มันไหลก็ไปเรื่อยพูดเรื่อยเปลยบางทีพูดธรรมะเนี่ยทุกวันไม่ซ้ํากันได้เลยเพราะว่ามันมีเรื่องพูดเยอะขึ้นอยู่เราจะวางวางทอดเรื่องจะพูดเรื่องอะไรการที่เราทํางานด้านนี้เราก็มีประโยชน์สามารถนามาพัฒนาตัวเองได้วันนี้อยากพูดเรื่องนี้อา้าวพอพูดแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วคือประโยชน์ของการฟังธรรมการแสดงธรรม อย่าพวกโยมมาวัดมาปฏิบัติธรรมก็เกิดประโยชน์นะอย่ามองข้ามเรื่องพวกนี้อาตมาก็ยังยังไม่เลิกปฏิบัติเลยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเราฝึกพวกคอร์สเข้มเนี่ยคอร์สเข้มจะหนักกว่าคอร์สธรรมดาเพราะว่าจะโดนบังคับอย่าบางคนยกมือไม่ขึ้นอาตมาเชื่อว่าโยมส่วนใหญ่ยกมือไม่ขึ้นนอกจากพวกเขาเก่าอะ่ะพาร์ตอนนี้ยังยกมือไม่ขึ้นทั้งส่วนใหญ่เลยนะ ยกมือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะบางคนยกมือครึ่งชั่วโมงจะตายแล้วถ้าชั่วโมงหนึ่งนี้นรกเลยแหละเมื่อไหร่เวลาจะหมดนาทีถ้าคนที่เขาเคยฝึกเนี่ยสองชั่วโมงก็สองชั่วโมงก็มือเบาไม่หนักแต่ถ้าคนไม่เคยยก15ทีมันจะตายแล้วกายมันไม่ร่วมมือด้วยนะเพราะว่ารูปจิตกับกายเนี่ยมันต้องร่วมมือกันถึงจะสนุกยกมือไปรู้ไปยกมือไปรู้ไปแต่คนที่ฝืนใจยกเนี่ยยกมือไปก็ ถ้าเกิดยกแล้วง่วงเนี่ยกล้ามได้อารมณ์เพราะว่ามันไปกวนกิเลสไงกวนนิวรณ์นิวรณ์มันจะประกวนเราให้เราง่วงอันนี้แสดงว่าปฏิบัติถูกทางแต่ถ้ายกมือไปแล้วง่วงก็ไปง่วงฟุ้งซ่านหนักแล้วก็ปูงแต่งเลือดเปื่อยแล้วก็เบื่อแล้วเกิดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ยกผิดทางหรือยกเร็วไปบางคนยกตามกิเลสตัวเองหรืออยา ก, กยกก็ยกหรืออยากก็เลิกก็เลิก ไม่มีกติกาไม่มีข้อวัดไม่มีวินัยพิเศษการปฏิบัติธรรมจะต้องมีวินัยพิเศษสมมติเราตั้งใจยกมือเนี่ยต้องมีสัจจะครึ่งชั่วโมงเลิกก็ครึ่งชั่วโมงเลิกหรือยกชั่วโมงหนึง่งก็ต้องชั่วโมงหนึง่งเดินจงกลมเราตั้งใจเดินชั่วโมงหนึ่งก็ต้องต้องอย่าชั่วโมงหนึ่งเราต้องเดินชั่วโม ง, น, งนะแต่เราไม่มีสัจจะเดินไปไม่กี่ก้าวความคิดไปหลอกแล้วเอ้ยไปทํำอื่นดีกว่าเลิก อันนี้เราก็ไม่ได้ผลนะเพราะอินรีย์เราอ่อนการทํางานเหมือนกันเราสังเกตได้ถ้าคนที่ไม่มีอินทซีเนี่ยทําอะไรก็ร อ, อ, อแล้แหละเดี๋ยวก็เลิกทิ้ ง, งๆงกว้างๆทาอะไรก็ไม่จริงทักอย่างผิจาคนที่เขาฝึกมาคนที่ฝึกมาเนี่ยเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับหมู่ปัญหาก็น้อยสามารถรับอารมณ์กระทบได้อาจจะโดนร่วงเกินเราบ้างเราร่วมเกินคนอื่นบ้างเราก็ดูเหตุการณ์เพราะเราอยู่โลกธรรมเนี่ย บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะเราก็เผลอไปร่วมเกลียดคนอื่นก็ได้หรือค น, อนก็ร่วมเกิีดเราแหละแทงโดนอัตตาเราอางทีข้อไม่ได้ตั้งใจบางที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจก็อาจทำให้มิตรภาพแบบสันคอนได้เพราะคนเรามีกิเลสเหมือนกับทุกคนแต่ถ้าเรามองในมองในแง่ดีอะอะไรก็ดีเนาะไม่เป็นไรหรอกไม่สนใจเรื่องต่างๆก็ค่าลดลงเราไม่ไปทะเลาะบบาแวงกับเขาทุกเรื่องก็ผ่านหมด ในวัดนี้ก็มีคนบลุคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมหลายคนนะเพราะว่าหลงหลงผิดไงมีหลงตายอยู่คนหนึ่งคิดว่าตัวเองนิพพานแล้วเจอแขก็อยากสอนเรื่องนิพพานแถมมาท้าแตมาด้วยให้สอบประลมแกว่าแกหมดโกรธแล้วอนวาวะก็อนวาอนวะไม่เชื่อแกนิพพานไงเพราะเราดูว่าแกไม่ใช่เพราะว่าคนนิพพานมั น, มนเวลาพูดต้องมีปัญญาไงอันนี้ไม่มีปัญญาเลยเลย แถมแกก็ยังมีแกก็กลัวตายอ่ะบางทีแบบฝนไม่ตกแกก็เอาล้มไปกลัวฝนกลัวหนาวกลัวรุ่นกลัวนี่เราเช็คได้นะฮะก็คนที่มีความกลัวเนี่ยที่สุดของความกลัวคือความกลัวตายบางทีทุกคนกลัวตายหมดแหละจากกลัวตายมากกลัวตายน้อยแต่กลัวแล้วไม่กลัวมันก็ต้องตายอ่ะไม่มีใครหนีความตายพ้นเพราะว่าความตายเป็นที่สุดของความกลัว ความทุกข์ทั้งหมดมาลงที่ความตายหมดเลยพระพุทธเจ้าน่ยจึงไม่ให้เราประมาทเพราะว่าเป็นคําสั่งเสียพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ละมาดให้ถึงพร้อมเถิดอีกอย่างมัจุรามีเสนามากจริงมองไปทางไหนเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยเราสามารถตายได้ทุกเมื่อเลยอุบัติเหตุก็มากสมัยนี้รถลาบุถรนยก็วิ่งกันเร็ว ปืนผ่าหน้าไม้บางทีบางทีเขายิงคนอื่นสวยๆอาจจะมาโดนเราก็ได้ซึ่งก็ไม่แน่ถือข้าวสวยแล้วถือข้าตายไม่ได้ไปทะเลาะเลยเขาหรอกการมันลากให้ไปเหตุการณ์นั้นๆไงเดินไปผ่าเดินผ่านไปโดนลูกปืนพอดีหรือไปดโดนอุบัติเหตุพอดีเระฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือแม่ประมาทหมั่นเจริญสติไว้หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าขณะที่คนเราจะตายเนี่ย ต่อใโดนยิงตายโดนมีดฟันตายโดนระเบิดตายเนี่ยขณะจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวนะแบบว่าตั้งจิตว่าเราจะไม่ไปเกิดเบื่อโลกอะไรเงี้ยก็บางทีฟุกไปที่ผาได้เหมือนกันนะถ้าจิตมันเบื่อเบื่อแบบเบื่อจริงนะแล้ปล่อยวางได้ไ ด, ได้ฉับพลันเนี่ยสามารถหลุดพ้นได้หลวงพ่อพุทธทาสบอกหลวงพ่อเทียนก็บอกขณะจิตจะตายเนี่ยถ้าขณะนั้นเนี่ยรู้สึกตัว แล้วไม่ไปตามนิมิตที่มันสร้างขึ้นมานะเพราะว่ากรรมต่างๆที่เราเคยทําไว้มันจะโาก่ขึ้นมากรรมมันจะมาหลอกอย่างคนเคยฆ่าสัตว์ตายเคยเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆมันก็จะมาหลอกมันจะหเห็นนิมิตที่เราเคยเคยเบียดเบียนเขาอะแต่ถ้าคนเคยทําบุญศูนทานเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้ทําดีเยอะบ้างเนี่ยนิมิตพวกนี้จะขึ้นมาเป็นนิมิตที่ไปเห็นแล้วสบายใจตายไปแล้วมีความสุข แต่เป็นนิมิต ท, ที่ร้ายๆก็โดนคนไล่ตามฆ่าไล่ฆ่าบ้างสัตว์ไล่ทำล้ายบ้างอันนี้ไปไปทุกขตินะแต่ถ้าตั้งสติไว้ขณะตายรู้สึกตัวได้เราไม่ไปตามนิมิตนั้นนะ่ะมันก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปขณะจุดสุดท้ายเราสามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันแต่ก็ยากคนคนทั่วไปเนี่ยควบคุมความฝันไม่ได้ถ้าเราควบคุมความฝันได้เนี่ยเราก็สามารถบังคับให้ตัวเองไปเกิดดีๆได้ พวกโยบสังเกตไหมว่าเราเวลาฝันเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เลยมันก็คล้ายคนตายแหละถ้าเราควบคุมความฝันได้เราก็ไปสุคติได้สิ่งที่กาหนดไม่ได้อยู่5้าอย่างคือเรื่องอายุความเจ็บไข้ได้ป่วยเพอะเราไม่รู้เลยว่าเราจเจ็บป่วยวันไหนวันที่เราจะแข็งแรงไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนตายที่ไหน แล้วก็าตายแล้วจะไปไหนอันนี้กำหนดไม่ได้เลยห้าอย่างเนี้ยนั่นเราต้องไม่ประมาทพวกโยมมาปฏิบัติธรรมอ่ะมาเจอสติสร้างความรู้สึตัวสติเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของเราช่วยเราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้ถ้าคนไม่มีสติมันก็ต้องพึ่งอย่างอื่นมากไปแหละบางทีต้องไปเมาส์กับเพื่อนบ้างไปตั้งวงลินทากันบ้างเพราะว่าคนเราจะคบปฏิทัดอย่างมีดิถายอยู่เรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงลา วันหนึ่งก็ไปซื้อลาจากพ่อค้าลากระดูลักษณะลาแล้วก็ขอขอพ่อค้าเนี่ยมาทดลองเลี้ยงที่บ้านดูก่อนถ้าสองวันได้ไหมถ้าลาตัวนี้เลี้ยงดีก็จะจะซื้อเจ้าของคนขายลาก็ใจดียอมให้ชายคนนี้นําลาไปเลี้ยงที่บ้านหลังจากนําลามาที่บ้านแล้วก็สังเกตเอ๊ะลาตัวนี้ มันไม่เข้าก๊กเข้าก๊กกับลาที่ขี้เกียจพะละรามันจะขยันนะแกเห็นแล้วไม่ไหวก็เลยนาลาไปคืนแล้วก็บอกบอกคนขายลาว่าลาตัวนี้ขี้เกียจเพราะไปเข้าแก๊งที่เขาขี้เกียจคนลาก็เหมือนกันอย่างพวกโยมเนี่ยสมมุติไปเข้าแก๊งดินทาเนี่ยคนเข้าที่มีปัญญาเขาเห็นเอ้ยพู้นี้ต้องดินทาเหมือนกันถึงจะเข้าแก๊งกันได้ไปเข้าแก๊งกับพวกขี้เมา เอา้าเราก็ขี้มาเหมือนกันไปเข้าแก๊งเล่นกนารพนันพวกเล่นไพ่เล่นไอโลอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีทาตตรงกันไปเข้าแก๊งพวกเล่นบอลเข้าแก๊งพวกดูบุหรี่อะไรเงี้ยมันต้องมีแก๊งหรือไปเข้ามันคนเราคบกันได้ท่แล้วก็รู้เหลือเป็นคนยังไงแต่ถ้าไปเข้าแก๊งพวกธรรมะธรโมชอบพูธรรมะชอบพูดพูดระดับทุกมันก็มีนะในวัดนมีหลายมีจะมีหลายประเภทเลยให้เราเลือกชอบแบบไหน บางคนพูดธรรมะบาคนบ้าธรรมะแต่บ้าธรรมะไม่ไหวนะบารมะฟุง้งซ่านมีคนบ้าหลายคนแล้วที่ว่าอยากพูดอยากเทศอยากสอนอยากแสดงเจอใครมาก็มาๆามารีธรรมะทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีธรรมะหรอกฟุง้งซ่านอันนั้นไม่ใช่อะ่ะธรรมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรเวลาผู้ญาติโยมฟังแบบสับปะเระแตจุดประสงค์ก็คือเน้นให้ไม่ประมาทให้ให้เนี่ยให้ตระหนักความตายความไม่เที่ยงต่างๆ จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสุดท้านนยนีขออาุญาติรมทุกท่านเนี่ยมีความสุขมีความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งได้ถูกต้องขอขอสมปัานานะขอจบลงแค่นี้